อันนี้ก็ขอบารมีธรรมคําส่งสอนของสมณะสัพพุทธเจ้าเพื่อนโมเป็นผู้จะได้กระสรืรทำได้พระองค์เองเราก็ขอขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าเพื่อจะให้สําเร็จ กิจการในการที่เราได้นอบน้อมพระผู้มีพระภาคยาาพระอระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะพระองค์นั้นอันนี้ก็ขอจงสำเร็จประโยชน์ในการขอวัดปฏิบัติธรรมซึ่งปฏิปฏิบูชาธรรมเพื่อจะน้อมนำเอาพระธรรมคำตรอส เข้ามาไว้ที่กาใจกับผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกทุกรูปทุกนามในการในปัจจุบันนี้ก็ขอจึงยังให้สำเร็จจิตใจของพวกเราเพราะเมื่อเราพยายามนั่งแล้วก็เพื่อจะสำเร็จประโยชน์การข้อวัดปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุด ต่างคนก็ต่างเข้าสมาธิซึ่งจิตใจซึ่งวันนี้เป็นคนมากที่จะแนะนำกรรมมาานให้เพื่อยังเราได้มีชีวิตกันต่อไปเพื่ออยญ่หยับยังเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราเพื่อยังจะได้ให้ไกลจากกิเลส ซึ่งความเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคุณที่สมบัติอันที่พวกเราจะได้ได้ได้ถึงและเราก็จะได้เลื่อนจะได้โย่นชาติย่นพบเข้าไปเพราะในครั้งนี้เป็นครั้งของเราที่มีโชคลาภมากที่ได้มาผ่านพบพระศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าของเรา การข่าขวาทับข่าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงพระองค์ก็ทําการข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะพึ่งเรียนเรียนทำกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เป็นไปตามซึ่งในคําสั่งสอนทําท่าทางเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เรา ก็ตั้งใจว่าพระธรรมคำตรัสสอนของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมที่เยือกเย็นเป็นธรรมที่พวกเราจะหลุดพ้นจากกรรมเวรทั้งหลายก็จะได้หมดไปสิ้นไปกับหัวใจของเราเช่นว่าบาปซึ่งองคุริมานเป็นต้นฆ่าคนเป็นพันเง่ ท่านก็ยังแก้ไขทางใจได้ทำเป็นพระริเจ้าได้ซึ่งไกลาจากกิเลสแต่ทำบาปอะไรก็ไม่เท่าการฆ่าคนแต่ท่านยังพระองค์ยังสอนสอนให้เป็นพระริเจ้าได้พวกเรานี่ไม่มีบาปจนขนาดนั้นเราก็จะต้อง ทำการกัจสารูธรรมของพระองค์ขอจะให้เราจะประมาทธรรมะก็แล้วกันจะประมาทซึ่งวันนี้ยังไม่ต้องทมพวกนี้ยังไม่ทำนี่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ให้แก่ซะก่อนเลยถึงจะทผู้นันแหละเป็นภพประมาทอยู่แล้ว ก็เราจะหมดหลมเมื่อไรก็ขาดใจเมื่อนั้นเพราะพระองค์นั่ก็แนะนําอยู่เสมอว่าไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้ก็เราก็เหมือนกันที่มารวมประชุมพร้อมกันในที่นี้ก็เพื่อจะทําการให้สําเร็จประโยชน์ในการเรื่องเป็นพระริเจ้าที่เรา ัดสมาธิไปแล้วก็เพื่อบรรุธรรมะ ท, ทุกครั้งแหละแต่เราก็พยายามตั้งใจที่พระองค์แนะนำพิสุพิสุเธอจึงทากิจจะเป็นสมาธิย่มรู้ความเป็นจริงพวกเราก็พยายามทำตามเธอก็จะได้เป็นไปตามนั้นแหละนีเะ่เพราะเราเรีย ที่เกิดมาในกระดูกอยู่กับแผ่นดินเนี่ยเข้มจิ้นจิมลงไปก็ไม่ผิดพอเราตายบ่อยเกิดบ่อยแล้วที่นี้เราพยายามมาปฏิบัติธรรมมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้โยนชาติยมพบได้สินศิลประดุจไปยังเข้ากลา้า บัญญาเหมือนแอกไถอาไว้สมัคร่าซึ่งยานั่นเองแล้วก็เอาเข้ากล้าลงแล้วเข้ากล้านี้ก็จะต้องมีนำดีเล่นดียอมให้มักผลกะเจ้าของชาวนาได้ซึ่งเรียกว่าปุญญกเขตตังโลกะเป็นเนื้อนาบุญของคนชาวโลก พวกเรานี่แหละเป็นคนชาวโลกแล้วก็จะต้องปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละดีเกินเงื้อนาที่ดีดีเกินเงื้อนาที่ดีนี่เพราะทำใจให้เบิกบานเหมือนอย่างดอกบัวนี่แล้วใจของเราก็จะได้สำเร็จ ประโยชน์ในการข้อวัตรปฏิบัติธรรมมอจะปฏิบัติเนี่ยแค่งูแลบลิ้นกายตีปิกก็ยังได้เมตรพระลาอา น, นิสงส์งมากที่ไปเห็นสังขารร่างกายว่าเป็นอนิจังจริงๆนี่เพราะญาติโยมของเรา เชื่อกันแล้วว่าความแก่ไม่มีความเจ็บนี่มีความตายก็ไม่ีเราเชื่อกันยังไม่สงสัยที่นี้ที่เรายัางไม่รู้เนี่ยก็การข้อวัดปฏิบัติทำนี่นที่ว่าจะให้เป็นพระริเจ้าในการวันข้างหน้านี่ ในปัจจุบันนี้แหละให้ดูว่าปัจจุบันนี้ความโกรธของเราก็ไม่มีความชังของเราก็ไม่มีให้ถืออารมณ์ชนิดนี้แหละไปถ้ามันมีโกรธมาเมื่อไรเราจะรู้เชียวว่านี่ไม่พอใจึ้นแล้วเราก็ตั้งคติความอดทนครับเดี๋ยวมันก็จะดับไปแล้วเราก็ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอีกนี่ การที่แนะนำให้ให้ยาติโยมฟังนี่ก็เพื่อจะต้องให้ยาติโยมทำใจเมื่อทำจิตใจของตัวเองแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็กจะเห็นขึ้นที่กล่าวว่ากรรมฐานขอกกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เ จ, เจ้าเนี่ย ให้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาที่ต่อมาให้ถึงฌานสีมีวิตกวิจารณ์ปิติสุกเอกราตานี่ยเป็นปฐมฌานหยับยังให้ปฐมฌานเกิดก็มีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กําหนดผมกําหนดผมที่บนศีษะเรา มีสันฐานอนดำทำความรู้เห็นผมผมกำหนดให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้กำหนดรู้ผมกำหนดรู้ว่าอยู่รอบรอบศรีรษะของเราขนขึ้นรอบร่างกายของเรา ทว่ไปมองดูให้เห็นให้เห็นไม่เห็นกำหนดรูอันนี้อาตมาจะพาพาเที่ยวกรรมฐานปัญจากกรรมฐานหน้าผมขนเล็บฝันหนังหุ้มโดยรอบฝันอยู่ในปากเหมือนกระดูก ควรกําหนดรูเห็นขนขึ้นรับๆร่รรางกายของเราควรกําหนดรููเห็นไม่เห็นกนําหนดรู้เล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วกําหนดรู้เห็นที่เราเคยรู้เราเคยเห็นอยู่ วันอยู่ในปากกำหนดรู้เห็นเราเคยรู้อยู่หนังหุ้มโดยรอบกระดูกอยู่ภายในนี่ฟันนั่นะกระดูกนี่ให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้ปัญจกรมาหัสกรรมฐ า, านห้านี้จะเห็น อย่างหนึ่งอย่างไรก็ให้กาหนดไว้ให้ชนานาญให้ชำนิชำนาญในการรู้ในการเห็นเมื่อเห็นแล้วทำใจไวสงบสงบเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเฉยเฉยรู้ เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเฉยรู้เฉยรู้ว่าเรานั่งสมาธิอยู่อยู่กับองค์พระสมาธิเมื่อจิตนี่อยู่กับองค์พระสมาธิแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงทำใจพุทธโธลมพุท ลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกให้กำหนดรู้เห็นกายของเราให้กำหนดเห็นลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ให้รู้เห็นในลมเข้าลมเห็นทำปีติ ในลมหายใจเข้ากำหนดรูปิติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำพยายามทำอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์เมืม่อจิตนี้เลิกคิดนึกแล้วย่อมจะเห็นสภาวะอย่างแน่นอนพยายามทำบริกรรมภาวนา เป็นเครื่องกระัสรูธรรมไม่ให้จิตคิดนึกอย่างอื่นทีนี้เมื่อจิตคิดนึกคิดก็รู้เฉยเลิกคิดเราก็รู้เฉยทำความรู้เฉยเป็นอารมณ์ล้วจะมีสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะขณะเพราะ อนิพะอนุภาพธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญผู้ปฏิบัตินั่นเป็นผู้จะเจริญธรรมคำสั่งสอนของสมมาสพุทธเจ้ามืึกไขมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้าผู้นั้นหละจะต้องกระตืธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ เราไม่ต้องเชื่อคนโน้นไม่ต้องเชื่อคนนี้ทําให้เห็นปัจจตังรู้จัพาะตนนั่นแหละจึงเรียกว่าคนฉลาดคนเราไม่ต้องเชื่อใครเชื่อว่าพระพุทธเจ้ากระสือทํำแล้วปัจจตังรู้จัพาะตนแล้วพระท่านแนะนำหรือสัง่งสอนท่านก็ได้กําลังทํากันอยู่ด้วยกัน จึงเรียกว่าปฏิปทาเข้าไปอาศัยพระนิพพานด้วยกันทำนี้ก็จะเป็นธรรมที่เราครรทุกได้เหมือนอย่างกับพระท่านสอนโยมโยมก็เลื่อมใสพระพระก็เลื่อมใสโยมที่นี้ปฏิบัติเนี่ย บางครั้งก็โยมบรรลุก่อนพระพระก็ทาไปทาไปก็บรรลุธรรมะมั่ง pioneer. ต่้งคนตั้งบรรลุด้วยกันก็สาสะธรรมะกันได้เพราะพยายามทาเถอเราเดียวนี้นะการตายเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนตะก่อน เรายังไม่ถึงวาระมันก็ถึงควรตายได้รถจนกันตายเราไม่ได้หมุนของมาไหลคนอื่นหมุนเขาตายก็ตายมาั่งเขาลำบากก็ลำบากมากั่งนี่เพราะการตายการเจ็บไข้เราจะได้ประมาทเลย พยายามทุกคนพยายามทําใจนิ่งใจเฉยนั่นแหละรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพ่งอย่าลืมมีสติสมัชยยะความรู้ตัวอยู่อยู่กับกายใจของตัวเองอยู่ทุกขณะมืด นิวอนนิดับเมื่อไรก็จะรู้ทำเห็นทำเมื่อนั้นให้รู้ว่าเรานั่งใหม่ใหม่กายก็เบาใจก็เบาแล้วนั่งนานไปนานนานไปชักเมื่อยขึ้นทำความรู้ทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิเดียบท กายก็จะเบาจิตก็จะเบาไปอีกสบายกายสบายใจอีกเราก็มั่นทำอยู่อย่างนี้แหละทีนี้เมื่อใจฟุ้งซ่านนำขานใจไม่อยากจะอยู่ในสมาธิได้ยังมีขันติความอดทนอยู่ได้ทางกายเมื่อเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราจะนั่งตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ เราพยายามเปลี่ยนอิริยาบทไวเท่าใจาฟูงสร้างเราคันติความอดทนเราไม่ลุกนี้ถ้ายัางนี้เป็นอดีตแม่ชาก็กจะรู้ก็จะรู้ธรรมะของพระองค์ได้จะรู้ว่าอันนี้เกิดอันนี้ดับอันนี้ฟูงสร้างนาขาน ใ, นาใจไม่อยู่ในด้านสมาธิได้ก็ใช้คันติความอดทน ควรปลอบใจตัวเองก็ปลอบใจควรยกย่องใจของตัวเองก็ยกย่องใจเ้่าบีบคันมันหนักเข้ามันก็จะพยศเรามากข้ามันก็จะไม่ใม้อยู่ในในอารมณ์น้นได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นั่งสมาธิทำความรู้อยู่ทุกขณะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำให้เบิกบานทำปีติให้เกิดขึ้นกายก็จะเบาจิตก็จะเบาบางครั้งจิตใจเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นก็มีบางครั้งจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจ กายเบาจิตเบาก็ถืออารมณ์นี้ไปเป็นอารมณ์แล้วก็ให้จำอารมณ์ไว้ทีนี้เมื่อจิตออกจากพวังแล้วจะกายหนักใจหนักไม่ไม่เบาเราก็พยายามพยายามทำไปถ้ามีง่วงเงาห้องนอนมาก ทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นเดินจย ก, กลมเดินลุกจงกลมแล้วพอหายแล้วพอหายง่วงก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่กายกะยะา็จกะเบาจิตก็จะเบาก็จะประคองใจขึ้นอีกอย่างนี้จึงจะสำเร็จง่าย พระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงได้ ว, ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภายจริงที่เราทำบัดกันในบาลีว่านี่แหละที่เรามาแนะนำกันแบบนี้ก็จะฉลาดได้ก็อการผู้ปฏิบัตินั่นแหละสมาธิ ลืมตาเห็นไกลสมาธิหลับตาเห็นใกล้เห็นใกล้ๆตัวเราแล้วก็มันมันหลับตามันลืมตาแล้วเราจะได้รู้เห็นชัดเช่นว่าเรามองดูแล้วเราก็หลับตาใหม่อาจจะปรากฏตัวได้ทีนี้เมือมือความรู้เห็น ขึ้นแล้วศรัทธาก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติก็จะมีเพียรมีมั่นขึ้นอย่างแน่นอนนี่ทํอันใหละที่สอนหรือแนะนำเมื่อไรก็สอนกันอย่างนี้นะเพราะยังไม่ได้หมายถึงเราก็สอนกันแบบนี้แหละทีนี้เมื่อได้แล้วเห็นแล้วก็ค่อยใจขึ้น ก็ค่อยใจขึ้นว่าอย่างนี้เราได้พบอย่างนี้เราได้ทําเห็นขึ้นแล้วอย่างนี้เราได้ทําให้สว่างขึ้นแล้วนี่เราก็จะรู้ได้เห็นได้เฉพาะตนคุณเราที่จะไม่มีศรัทธา ก, ก็เพราะตนไม่เคยนั่งไม่เคยปฏิบัติก็เมื่อยเหลือเกิน เมื่อก็ทำไม่ให้มีสาตานั่งก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยมีแต่เรื่องเมื่อยทั้งนั้นก็การเรื่องเมื่อยเรื่องเรื่องหนึ่งนี้ก็ควรเห็นบาได้ก็ดีก็ทุกนี่แหละถ้าเราเห็นทุกนี่เราก็จะพบทุกในการเบื่อหน่าย ทีนี้เมื่อทำแล้วมีสมาธิแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้ปีติกายก็เบาจิตก็เบาแล้วทีนี้ก็ความสบายกายสบายใจก็เกิดขึ้นตั้งเกิดมาไม่เคยสบายอย่างนี้เลยนั่นแหละก็จะทำให้ญาติโยมมีสถาได้ที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะเก้าปีสิบปียี่สิบปี ไม่มีเลิกมีละก็เพื่อนช่นก็จะสแสวงหาซึ่งความสุขนั่นแหละแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วท่านก็จะต้องทาให้มันพ้นทุกข์นี่แหละรู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เนี่ยอะไรจะเป็นเพื่อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในปฏิปธรรมสี่นี่แหละทุกข์ระยาบุตรนั่ง เราก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถันะเดินมากไปทุกข์ก็เกิดในอิริยาบถเดินมากเราก็นั่งนะรูปที่มีทุกข์ยืนยืนเดินเดินอยู่ก็ดับไปนี่นักเข้าเพี่ยนไปหนักเข้านักเข้าฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับเรา เราก็จะรู้แจ้งขึ้นมาได้เรื่องการที่จะรู้แจ้งขึ้นได้ก็ที่จะได้มักผลเร็วก็ต้องรักษาสินให้ดีสินห้านี่ให้ ส, หสมบู์ขึ้นสินแปด ก, ก็ให้ดีขึ้นทุกข้อที่เราสมาทานขึ้นสมาธิก็จะเกิดง่ายปัญญาก็จะรู้เร็ว คนที่ปฏิบัติมากมันแต่ไม่ค่อยจะรู้เลยเพราะสินไม่ค่อยดีสินไม่ค่อยดีถ้าสินดีแล้วรู้ง่ายเห็นง่ายฉลาดง่ายนี่เพราะพยายามรักษาสินเหมือนต้นไม้แหละต้นไม้ที่เล็ก เจ้าของจะต้องมันรดน้ําพวนดินอยู่ต้นไม้ผ่าโตแล้วเจ้าของไม่ต้องรดเช่นน่ามะม่วงเนี้ยพยายามลดน้ำใบชินใหญ่โตแล้วไม่ต้องรดอแล้วก็จะต้องออกลุกออกคนเองให้เจ้าของได้บริโภคครบชั้นชันใดที่เรามาปฏิบัติ กรรมฐานฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งที่ตั้งของใจนี่ฝึกสมาธิใจสงบหนักขึ้นรู้เห็นใจหลุดพ้นพ ร, ริมักพาริพรรลก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติก็จะรู้แจ้งว่าทำเป็นอย่างนี้น ทำที่หลุดพ้นเป็นอย่างนี้รู้จักวาระนำใจของตัวเองขึ้นสามารถเมื่อจิตมีสมิตสมาธิดีแล้วย่อมจะระลึกชาติของตัวเองได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติหนึ่ปฐมมรรคปฐมฌานนี่แหละซึ่งเป็น เป็นปฐมอาา์เป็นองค์มรรคของพระสุดาบันนี่แหละพระขอให้เราได้กระทำเถอะให้ทำให้เข้าลรองออกลรองว่องไวทำให้เป็นอาวาสีท้งห้าต่อมาให้ถึงฌานสี่ธิราวาเนี่ยทำให้ได้ผู้ปฏิบัติต้องได้เรื่องไม่ได้ไม่มีหรอก ที่เรานั่งข อ, อยจะหลับเนี่ยเราก็คอยเกงว่ไม่หลับสับเราก็รู้ก็สับนี่หละคนนี้สับรู้สับรู้สับรู้นี่แหละนี่แหละผู้จะรู้จะเห็นขึ้นมาได้ใจสงบแล้วเราก็รู้ว่าใจเราสงบ ตั้งอยู่เป็นมีสมาธิแล้วก็ให้รู้ใจยังฟงุ้งซ่านก็ให้รู้ที่อาตมานำอยู่นี่แหละใจสงบก็รู้กายสบายก็รู้ใจก็สงบกายก็สงบกายก็เบาใจก็เบ า, เบาอย่างนี้เราก็มณัติการไว้ให้มากๆขึ้นทีนี้ แจมใจจิตแจมไม่มีง่วงไม่เงามีสบายกายสบายใจยิ่งหนักขึ้นที่มีความบริสุทธิ์ของใจของผู้ปฏิบัติก็จะมีขึ้นเวรมณีเราพยายามขัดแก้วแก้วอยู่ที่ใจแก้วอยู่ที่ตา เมื่อเราเข้าไปขัดได้สินสมาธิปัญญาหนักขึ้นก็จะสว่างสวัยขึ้นมาควรยินดีที่ยาทานี่แหละเป็นจะองค์กักรู้ทั้งนั้นแ่ะขอให้ผู้ปฏิบัติเอาจริงเถอะยอมได้สมความปรารถนาอย่างแน่นอน แก้วตาก็จะดีขึ้นแก้วหูก็จะดีขึ้นนี่จะฟังใกล้ก็ได้จะฟังไกลก็ได้หลักวิชาสามก็จะเกิดมีขึ้นกับเราก็จะระลึกชาติได้เราทำทําให้ดีขึ้นให้ปีติในพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นปีติพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ขาดสาย ่านั่งอยู่ก็ปีติในพระพุทธเจ้าย่านั่งอยู่ก็ในปีติในพระธรรมเจ้านั่งก็ปีติยในพระสงฆ์ข้าเจ้าให้ปีติปีตินี่แหละทาเป็นเครื่องอิ่มได้เป็นเครื่องให้เขาถึงสุขได้ปีติปฏิบัติไปตามนี้แหละ ที่อาตมาแนะนำนี่แหละงังจะได้จะได้หมดทุกนะตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนี่ไม่ไหวมันเกิดแค่ก่อนตายนะเ น, นทํางทให้ดับรูรูปนามเกิดดับได้แล้วก็จะเป็นผู้ชาด เมื่อน่าจะมาแนะนำเนเสียงก็ติดกล้องอยู่ในในแก้วหูของโยมพอาะมาหยืดเสียงนี้ก็ดับเลยที่นี่เราไม่ยึดถือเรื่องเสียงละได้ยินก็ไม่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่าทำใจรู้เฉยรู้เฉย เขาว่าดีก็ไม่ว่าว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเราต้องฝึกหัดซาละที่ต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดแล้วไม่ได้หรอกตรงความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทำเราก็จะโยนชาติย่อมพบได้จะให้เสียทีเราเกิดมา เจอแล้วเจอพระธรรมคำสั่งสอนเจอทั้งพระส่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเนี่ยที่ท่านไม่ปฏิบัติก็มีเนี่ยเราก็ทำขึ้นแ ล, แล้วเราจะได้รู้ขึ้นเองทำรู้ขึ้นเองเนี่ยฉลาดจิตที่จะจะได้มาผล อุประมาเหมือนคนที่ถ่ายรูปเนี่ยพระปรากฏก็เนี่ยรังของนานก็รูปภาพก็ติดเลยเช่นใดของว่าในบอดดับแล้วแห่งพระริเจ้าก็เกิดขึ้นไม่รู้ตัวดักพยายามทำก็เทได้ไม่รู้ตัวรัก อุปมามันคนป่าอยู่ที่ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าพดินโปรดรานเพื่อจะให้คนป่าเข้าเฝ้าให้เข้าเฝ้าพระเจ้าพดินแล้วก็ท่านเลยถ่ายรูปววา รู ป, ปแต่ผู้นั้นเกิดในที่กันดารถ่ายในที่กันดารแล้วสั่งคุนั้นข้าเป้าที่นี้เอารูปเนี่ยให้ดูตั้งเกิดมาไม่เคยเห็นรูปตัวเองเลยกระจกไม่มีส่อง ที่นี่ก็พระเจ้าปฎินก็อส่งรูปให้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักพระเจ้าปฎินจะโปรดไงได้ไม่รู้ว่าจะประดินรักไม่รู้ว่าพระเจ้าปฎินจะโปรดไงไม่รู้จักว่าพระจะโปรดตรงไหน ความรู้ไม่มีไม่เคยเห็นเลยโดยพระเจ้าปดินก็ไม่รู้จะทําะไรพระเจ้าปดินก็นึกได้เลยส่งกระจกเข้าไปพขาส่งกระจกให้ดูแป๊บเดียวที่นัรู้ว่ารูปถ่ายนี่เป็นรูปของเราก็บอกว่าได้นีรูปของ ของตนเองสินี่เพราะถ้าเราไม่มีกระจกแล้เราจะรู้ได้ยังไงใบหน้าของเราที่นมพุ่งนักปฏิบัติเนี่ยหลับตาซะด้วยแล้วจะเห็นอะไรไง ธรรมะนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระตาบอดจุงพระตาดีพระตาบอดจุงพระตาดีได้งไงเหมือนยังคนขับรถนี่หนหะ เขาเอากระจกไปไวข้ข้างข้างนานอนมันได้ไว้ข้างล่างแต่รถข้างล่างคันล่างๆมันมาเห็นได้ปัญญาก็เหมือนกันที่เรานั่งกับประธานถ้ามีตาดีาแคละใครมาข้างล่างเราก็จะเห็นได้เหมือนกันเราก็จะรู้ได้ ถ้ารมมีกระจกอยู่ข้างหน้าขคยะายยกมือยกมายมาตีเราเราก็ริดเห็ น, นการข้อวัดปฏิบัติด้วอุปมาอุปไมยให้กัญญาโยมให้ฉลาดโยมก็ทำไปก็แล้วกันทำไปแล้วก็จะรู้จักขึ้นเอง ให้เห็นที่ตัวของตัวนี่แหละให้เห็นผมเห็นคนเห็นเล็บเห็นฟันเราไ ม, ม่บาปว่าดีเห็นฟันได้ <c oughs> เ้าก็ฉลาดขึ้นแล้ว <c oughs> ยังไม่เห็นเราก็พยายามทำทำสบายๆแปแล้วกัน <c oughs> ทีนี้เมื่อเรา มีเกิดโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมีในตาดีขึ้นแล้วรู้จักชาติรู้จักพบของตัวเองก็จะต้องรู้สิว่าปฐมอ า, า์เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็มันเพียนมันเข้าอยู่บ่อยๆเป็นหนึ่งนิดเพราะจะได้ฉลาดานี่อนเราเพ่งกบ่อย นั่งเราจะบางขึ้นเพ่งบ่อยขึ้นนั่งเราก็จะบางขึ้นแล้วก็จะเห็นได้รู้ได้เหมือนไม้เราไม่ได้ขัดได้ถูกเงาของเราก็ไม่เข้าไปเนเนื้อไม้ได้ชั้นใดเรามันขัดมันถูกขึ้นแล้วย่อมจะมียานเข้าไปอย่างรู้ในกายใจของเราได้ยังไม่ผิดหวัง อ่าว อ, อ, อันนี้ก็นำกรรมฐานญาติโยมแล้วก็ขอพยายามทาออกจากสมาธิใช้มือถูถูหน้าตักไปแล้วไปเกาะหัวเข้าไว้ยังพระสะดุงมานะี่ใจจะสบายได้ สองมือเกอาะหวข่าไว้ใจสบายเรายกมือขึ้นหัวใจพนมไว้ที่หัวใจไหว้พระยกมือขึ้นวางคิว้วให้เห็นมือด้วยทำไม่เห็นกาหนัดรู้ทำอย่างเงียทุกครั้งนะเป็นอย่างกลับไปบ้านเ่นะ อมูคภาลูกตาเรายังไม่เห็นอีกนะมันมันทำมันจะได้เห็นทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ฉลาดขึ้นเองนี่ก่อนเนื่องการรู้กันเะห็นนะมันได้เหมือนกันอย่างว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรนะจนะนะได้เหมือนกันที่ไหว้พระ สัพเพสาตาสัตว์สังไรที่เป็นเพื่อนทุ ก, กเกิดเกิดตายกันหมดทางสิ้นเรารทิฏฐุคกณทุ่มคองเราให้หมดเวกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเกธอจะได้มี การและการเลยพระจงเป็นสุเป็นสุเกิดจะได้มีเี่ยนเปียนอารมณ์บาปใจเลยอย่าพระจงเป็นสุเป็นสุเกิดจะได้มีเปี่ยนเปียนทิ้งกันและกันเลย สุขีอาตนนังปริหารตุ้งมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทางสีนเธอน้องงงง ม, มากว <c oughs> ่าโยมเอาละเป็นเพียนมาก่อนนะเพียรไปก่อนนักข้าวก็มีสมาธิก็ดีเองนะ เพียนเยนไปเลไม่กินปลาตะเพียนไม่ได้นะต้องกินปลาตะเพียนบ่อยๆกินก็ได้นะอย่าไปเชื่อไม่ได้เชื่อเวทนาไม่ได้เนะพริกสัปฏิบัติสัเดี๋ยวก็ดับไปอย่างอาจามาที่พูดเรื่องทำนิ่งเนี่ยดับไปแล้วใช่ั้ย เสียงดับไปแล้วพอฟูดก็เสียงเกิดขึ้นมาคนละดวงคนละทีนะมันไม่ขีดนี่เอาขีดแฟดเดียวมันก็ดับแล้วแล้วมันจะขีดอีกก็ไม่ติดอ่ะต้องเอาอันใหม่อ่ะนะก็จะได้อย่างโยมเนี่แพอฟัดแล้วเราเรียกจะขีดไปขึ้ฟัดอีกมันไม่ฟัดอ่ะนะมันดับต้องเอาอันใหม่ ก็กลัวดีโยมแต่กลัวบาปมันมากกว่ากว่ากลัวพี่นะก็ทนดิโยมขันติความอดทนนะแต่มาไม่ได้รับพวกยมเน พระเขาห้ามรับเงินนะรับไปมากๆเดี๋ยวไปซื้อตุ๊กตาเมืองไทยรับไปมากๆเดี๋ยจะไปซื้อตุ๊กตาเมืองไทยคนสิพระท่านห้า ม, มาให้รับหยดไม่จับเป็นมันชายเก่งนะสร้างรถสร้างไม่หมดพระ ที่ไม่จับเงินเนียมดีโมไอ้ไอ้เรื่องอยู่ปราชาเนี่ยมันต้องมีคติความอดทนความกลัวนี่มันกลัวแต่เนยกว่าการเรากลัวบาปเนี่ยมันมากกว่าแล้วถึงจะอยู่เข้าไปยุ่ปราชาแล้วก็ท่านเขียนไว้หมดแหละทุดงเนี่ย มาบวชแล้วเราให้ไปไปปฏิบัติให้อยู่ป่าชาเป็นวัดให้อยู่คนไม้เป็นวัดก็รับอมาพันเตอมะพระเดวารับเรื่อยว่าจะรับไปอยู่จะไปอยู่คนไม้บ้างอยู่กลางแจ้งมั่งบอกอนุศาสตร์นะให้ไปทุดงนี่ก็รับเรื่อยที่นี่ถ้าเราไม่รับล่ะ ถ้าเราไม่ไปอยู่โกหกโกหกอุปชายะออ ท, ทีนี้ก็ต้องต้องทําต้องไปอยู่ปราชาเป็นวัดสิมัง่งไปอยู่คนไม้เป็นวัดสิมัง่งไปอยู่กลางแจ้งเป็นวัดสิมัง่งแล้วับไปกลัวใหม่ๆอ่ะเรื่องผี่นี้กลัวมาก แล้วพี่ัถึงมีจะขึ้นชื่อว่าหลอกเก่งผีหลอกเก่งเนี่ยพราะเราเข้าไปมากมันก็กลัวสิกลัวกลัวแล้วไม่กลัวเปล่าเถอะมันจะมา ท, ทํ า, า, งงา ท, ท่าอย่างนั้นกัมั้งทําท่าอย่างนี้กัมั้งมันก็ทําตาโบ้มั้งทําตาอะไรมั้งก็ทดนนึกมาทุกอย่างอะ่ะทํามันหมานี่จะนีไหมเนี่ย ถามถามตัวเองกลัวกลัววันนั้นเนมันได้หลับได้นอนแล้วไหลนิวอนดีไม่ง่วงนอนเลยตาแจ๊บภาวนาพุทโธพุทโธก็เดี๋ยวเลิกพุทโธแล้วผีเล่กผีเล่กแล้วมีกลื่นผีเล่า ก็ดีเหมือนกันพี่มันกลัวพี่เสรแล้วมัาก็ไม่ง่วงนอนเห้ยทำไมกลัวเด้วงง่วงจังเลยพนากขา้กขามนะครับกลัวจนน้ำลายแห้งไม่ได้นอนเลยคืนไม่ได้นอนเลยตีเขาตียามเม้งเมงตีหนึ่งตีสองตีสามตี ส, ตสี่ตีห้าก็ต้องออกวินทบาตนั่งแค่วอยู่างั้นเองวันนั้นได้บุญมาก <c oughs> พอะนักเข้าวันล่างๆก็ชักนอนหลับชักช่างไม่กลัวมันละทีช่าไม่กลัวปฏิบัติเงินน้อยเข้าไม่เหมือนวันนั้น ล, ล้วไปบินธบาตได้เข้ามาอย่างเดียวโอ้โหพระช่างเข้าเลยที่จะติดคอตายน้ำลายมันไม่มีต้องนำกลัวส <c oughs> ันก็ไปมักข่าถอย มีแตะข้ายอย่างเดียวเราเคยชันมันมีกลับมีรายเป็ดเขมเขมมันเขมเขมันมีไอ้นังข้าวอย่างเดียวก็ชันมาได้มากพออีกสองสามวันเนี่ยไปวันหลังก็ทีนี้ก็ขอสายบาตให้มั่งอะไรบ้างมีทั้งกับมีทั้งข้าวมันก็ประชันกันไปได้เรื่องกลัวนี่นะ มันทำไม่คนไม่เข้าไปกลัวอะไรจะนีไม่ผลก็ความตายอย่างนีนี่ไม่พนกลัวดีกว่ากลัวความตายเนี่ยผีหลอกไม่ต้องกลัวดอกเนะกลัวคนหลอกนลยดีกว่าคนหลอกเนี่ยมันหลอกยิงกับผีผีหลอกก็ยังไม่เสียงเงินที่ทองนะคนหลอกมันเสียงเงินที่ทองนะอือ ที่ไม่เคยได้ยินกันบ้งเลยที่เขาหลอกกันเขาหลอกกใบที่ดินที่เดินไปจำนำจำเนมแล้วมันไม่ทายให้เนี่ยหรือหลอกกันนะเขานักขึ้ฆ่ากันเลยเสียทีมันนี่แต่พี่นี้หลอกแล้วไม่ไม่มาทําอะไรเลยไม่เคยมาให้กระทานมั่นไหวเหมือนกันในประชา จัาตมาก็ไม่มีอะไรเสียให้เลยกรเราวมันก็ต้องตายเหมือนกันแล้วแล้วเข้ามานี้ล้วไม่กลัวแล้วมันหลายวันแล้วตั้งตัวได้แล้วถ้ายวนก่อนๆยังไงยังไม่แน่เนะทีนี้มันลลายวันแล้วมันตลอดเกือทั้งวันนี้จะเกิดเรื่องอย่างพวกนี้วันนี้มีคนมาอ่านมนให้แล้ว ฝันว่าอ่านมนให้นะทำแล้วก็ทำว่าอ่านมุนให้ทมัยแล้วก็อ่านป้องกันไว้ให้สิก็เงี้ยฝันพอพกนี้ระหูเสี่ยงกระทานวนไหว้นเนินประชาดแล้วเฉยได้วิชาอย่างหนึ่งเฉยไม่กลัว ใช่มีสมาธิกำลังนั่งสมาธิอยู่ยาจมแม่ต้องกลัวรักผีหลอกไม่เสียงเงินหรคนหลอกนั่นเสียงเงินเสียตัวลาบากนทำมาเจ็บจำนำใจนี่ไม่เป็นไรเลยยิ่งดีขึ้นเลยโอ้ไม่กลัวแล้วจิตใจสมาธิมีสมาธิย่อมไม่กลัวนี่ จริงๆเลยโยมก็ทำไปเอะมันได้มไม่ต้องกลัวอไอ้ที่กลัวนี่มันกิเลสนะยังไม่มีสมาธิมันก็กลัวไปงานเองกลัวที่เขาเชื่อไอ้คนที่ไปดูภาพพระโยน์ังกลัวใหญ่เลยมันเคยไปเห็นมนามา่อไหเนี่ยนะกลัวไมหมโยมเนี่ยพระสะนองถ้าไปอยู่ตั้ง สามปีท่งไม่เห็นไหมถามด้วยพี่ไม่นี่หลอกขึ้นรือหลอกทั้งก็ไม่กลัวอีกเลยนะทำไมงั้นก็ไม่ผาโยมไปดูในประชาหรอกพวกโยมเนี่ยเก่ง น, นะพระถึงในโยมก็ถึงพระเหมือนกันผาไม่นอนในประชาได้และ ไ, ได้เนี่ยเพื่อเอาไปใส่สวด น, นะสิ พวกโยมเห็นพี่หลอกของเปล่าไปอยู่ในประชากับพระสนองหลอกไหมหลับเงียบเลยห <c oughs> ลับสบาย <c oughs> นั่นแหละเขาเรียกว่าทำลายความสุขไม่เอาความสุขละมันก็ได้ความสุข <c oughs> นอนหลับสบาย <c oughs> พี่เพื่อไม่มีเลยนี่ มีแต่ตัวเองหลอกตัวเองนี่สินะ <laughs> ถ้าเรากลัวไปก่อนแล้วยังไม่ทันได้หลอกเลย <laughs> มันต้องกลัวรักอยู่เชื่อพระเชืนน่อพระชนะมารไม่เชื่อพระก็แพ้มาร ยมพิชายที่ท่ามตะกี้เป็นไงไ <c oughs> ก็ยำเหม็มั้งเน่ยโย่พอ <c oughs> ไปอยู่กับพี่ก็เหม็นมั้งเลยสิ <c oughs> า ท, าทึกมา ก, ๆๆๆๆมากเกี่ยมช้างก็าอยู่ในนั้นไม่เห็นหรอกมองไม่เหน็นตัวช้างเขาห้ามมีช่องห้ามเฉพาะช่องห้ามพี่คุาไวทนา พี่ลอกไม่เกินไม่เกินประชาวตนเป็นถึงจะว่าตลกเลยมันกัดแล้วก็มีนะว่าอกัดจะเป็นแว่นเลยนะฝันพี่อยู่ก็ขมกัดลองดูเลยวัดเป็นถึงแล้วไม่ใช่เลย แต่ว่าพี่ไม่มีตัวมีตนก็ไม่มแต่ก็คงพระของเล็วๆมากกันนะถึงได้ ก, กัดครับพระดีก็คงไม่กัดครับเชื่อไม่มนยมที่ว่าเนี่ยว่าพี่กัดพระนะ <laughs> พระไม่โกหกครับ มีแต่อมชื่อยมอมแกเป็นพระแกเป็นนักธุดงค์อยู่ในธรรมไปวันนั้นก็ไปพูดว่าไม้ไม้ร่วกกรงกรงดีพูดเกิดลูกสิอื้อันนั้นก็ดีฮะอันนี้ก็ดีพอพูดอย่างนั้นอ่ะกลับมาทาสกปรกเ <c oughs> สียงเสียงพี่ว่าแล้ว <c oughs> สกปรกมึตีแกแกมาบอกเองเลยที่ทำเสือนี่แหละต ก, ก่อนจะไปอยู่สกปรก <c oughs> อีกอกวนา น, นแล้วทำให้หลับจะไม่ต้องมาบินน้บาตเลยผ <c oughs> ี่ทำทำให้หลับละ <c oughs> อดข้าวเลยเงี้งโย่ <c oughs> โยมนี่ไปพระทน่นอกท่านพาไปนอนปราชาได้นอนคนไม้ได้เนี่ยเป็นขุนประโยชน์อันนี้ใหญ่จะเป็นในใ่ติดตามที่นี่ไปถ้าทิ้งนึ่งที่หลังก็อยากไปเลยอยากไปเลยมันก็พระตุดงเนี่ยไปะท้งปีก็ไปใช่ว่ามันสบายมอแล้วก็ไปลาบากก็จะบขาอ หลบกดลงนี่ล้วไปทิ้งอะ่ะอุตสาหจะนายมนะทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะที่การพระที่จะไปปฏิบัติเอาธรรมะกันมาแนะนำสร้างสอดญาติโยมได้เนี่ยท่านก็ต้องเสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะต้องเข้าไปในดงในป่ายังก็พระสนอมเนี่ยจะเาหน้าวาดเสี่ยเหมือนกัน ไอเสื้อเนี่มนยมัิงกับผีนะ่นาะมันร้น อ, ง อ, นนนองมันร้องเันน่ะมันร้องเงินมันยิงกับผีนะ่เนาะผีนี่ไม่เทอะไรหรอกเสื้อเนี่มันน่า ก, กลัวกว่าแล้วไปลงอยู่ในป่าเดินหาทางออกไม่ได้หรอกขนาดไหนที่กลัวจะได้มาสอนญาติโยมได้เนี่ยโยมเนี่ยเป็นผู้มีบุญดีนะได้มาผ่านพบกับพระ ที่ปฏิบัติเสียสละชีวิตเนี่ยมันผ่านอุปสรรคมากเนี่ที่การที่การจะปฏิบัติเนี่ยไอพี่เนะี่ยไม่เท่าไรหรอกไอเสือนี่เสือสำคัญงูเนี่ยสาคัญ <c oughs> มันเป็ น, นอนอยู่เนี่ยมันจะเข้ามานี่อยู่นนั้นเราจมาไปนอนเป็นนอนที่ทำ อะไรที่วัดพระสนองไปตั้งมาท้องพระภูมิไปนั่งยอยไอะไรมันมาฉกอยู่ชกอยู่ข้างมองวอยวัย <c oughs> ก็ลืมตาดูโอ้โหเนี่ย <c oughs> ดูเยเอยเราก็ไม่มีความผิดอะไ ร, รมาชกตรงเนี้ย <c oughs> มันจะคำมุงมันจะคำมุงเราอะเราก็อะไรวบอยว้ยไ่ายต้องเล่าดูสิเราก็ไม่ไม่ผิดรายระกาศเราดานเนี่ยขวาพระนี่มันเสี่ยงชีวิตนี่นงโยมนี่ก็ไปเสี่ยงชีวิตมั้งตามพระนี่ก็มีพลราสิสงมากเนี่ย ขอให้รู้ว่าตัวเองนั้นมีของดีอยู่ในใจพระองค์ได้แนขฆาปเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจกัดภัยภัยไม่มีก็คนซื่อโงหรอกอือหูก็ไม่มีมังกดแล้วพี่ก็ไม่มีหลอาแล้วเนี่ยไปกับพระขอว่าไปกับพระมากขาไม่กัดนะอือ <c oughs> <c oughs> นะ นี่แหละเส้นํำไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยอุตส่าห์มาเถอะมาปฏิบัติกำลังชีวิตเรายังไม่อยู่เมื่อเราจะแตกดับที่ไหนก็ได้เรามีสินธรรมแล้วก็ไม่ต้องกลัวก็จะต้องไปสวรรค์คุณไม่มีบุญตายแล้วก็จะไปสู่ทุกข์ทุนหาสิอย่างนี้ระไรรับรองแล้วเถอะนะ สนใจเอางั้นอาตมาขอหลายโยมเลยนะขอจงเจริญเจริญ